เพื่อมาบำเพ็ญมาสร้างบุญสร้างผุณสมบัซึ่งเปรียบเหมือนกับเสบียงของชีวิตจิดใจเพราะจิตใจของเรานั้นยังเป็นผู้ที่เดินทางอยู่ยังวนเวียนอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ในภพสูงภพต่ำอยู่เรายังไม่ได้เดินทาง ไปถึงบ้านของเราที่เป็นสถานที่ที่ปลอดจากความทุกข์ทั้งหลายที่เป็นสถานที่ที่มีแต่ความสุขและเป็นความสุขที่จีรังถาวรเหมือนกับบ้านของเราที่เราอยู่กันทุกวันนี้ถ้าเปรียบเทียบระหว่างการอยู่บ้านกับการเดินทาง การอยู่บ้านย่อมสุขสบายกว่ามากเพราะมีเครื่องอำนวยความสกความสุขความสบายให้เราพร้อมอยากจะนอนก็นอนได้อยากจะเข้าห้องน้านก็เข้าได้อยากจะดื่มอยากจะรับประทานอะไรก็มีของอยู่ในบ้านพร้อมบริบูรณ์อยู่แล้วต่างจากการเดินทางที่จะต้องนั่งกดหนังแข็งอยู่ใน ในรถโดยสารอยากจะทำอะไรก็ไม่ได้ต้องรอให้ถึงสถานที่ที่เราจะจอดแวะและทำสิ่งที่เราต้องการได้เช่นเช่นตามสถานีบริการต่างๆถ้าเราอยากจะเข้าห้องน้ำห้องท่าอยากจะยืดเส้นยืดสายอยากจะหาอะไรดื่มอะไรรับประทาน เราก็พอที่จะหาได้ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบการระหว่างอยู่ที่บ้านกับการเดินทางการอยู่ที่บ้านนั้นย่อมมีความสุขความสบายมากกว่าฉันใดการเดินทางของพวกเราในพบน้อยพบใหญ่นี้ก็เป็นอย่างนั้นเราเวลาที่เดินทางไปเราก็ต้องอยู่ในสถภาพที่จำยองบางทีเราไม่ชอบ แต่เราก็ต้องอยู่ไปกับสภาพนั้นๆไม่เหมือนกับถ้าเราได้ไปถึงบ้านของเราคือบ้านของจิตใจแล้วจะเป็นที่ที่เราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายที่เราจะมีแต่ความพอใจอยู่เสมอนี่คือเรื่องของใจของพวกเราสถานีบริการก็คือภพชาติที่เรามาเกิด เรามาเกิดในพพของมนุษย์เราก็ได้สถานในบริการที่มีสิ่งที่เราสามารถที่จะตักเติมให้แก่จิตใจของเราได้คือเบียงต่างๆแต่ถ้าไปเกิดในภพที่ไม่ใช่มนุษย์นั้น mm hmm. ก็มีทั้งภพที่ดีที่สุขที่สบายเช่นภพของเทพของพรหมหรือถ้าไปเกิดในภพของเดรัจฉาน ไปเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกก็จะอยู่ในสภาพที่ไม่น่าปรารถนากันแต่มันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงกันไม่ได้หากาเราหากเรายังทำบุญทำกรรมกันอยู่วิบาก ค, คือผลย่อมเป็นไปตามเหตุคือการกระทําของเราดังนั้นเราจึงพยายามที่จะมาสร้างเหตุที่ดี เหตุที่ดีที่จะพาให้เราไปสู่พบชาติที่ดีพาให้เราไปสู่บ้านของเราบ้านที่มีแต่ความสุขบ้านที่มีแต่ความปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเราก็เลยมาทาบุญกันมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลซึ่งเป็นเหตุที่จะพาให้เราได้ ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เลิอดที่ประเสริฐที่พระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ดําเนินไปถึงแล้วพวกเราก็พยายามที่จะตะเกียกตะกายไปกันการมาหรือการบําเพ็ญของเราแต่ละคนยังมีความยากง่ายต่างกันเพราะว่าเราได้บําเพ็ญ เหตุมาต่างกันถ้าเราได้บําเพ็ญบุญบารมีได้สะสมสเสบียงมามากเราก็จะรู้สึกว่าการมาบําเพ็ญต่อ น, นี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็นแต่อย่างใดถ้าเรารู้สึกว่าการบําเพ็ญของเรามาแล้วรู้สึกว่าจะมาแต่ละครั้งนี้รู้สึกลําบากเหลือเกินจะต้องคอยเขี้ยวเข็นจะต้องคอยข่มขู่บังคับ ให้ให้ตัวเองมาอย่างนี้แสดงว่าเรายังไม่ได้บาเพ็ญมาเท่าที่ควร น, นั่นเองจึงไม่มีกําลังไม่มีพลังที่จะผลักดันให้เราได้มาบาเพ็ญเพิ่มมากขึ้นไปดังนั้นเราก็ต้องพยายามผลักดันให้มากเพราะว่าเรา เรายังต้องมีงานที่ต้องทํามากอยู่ไม่เหมือนกับคนที่เขามาได้อย่างสบายมาได้ตลอดเวลาอย่างนั้นเขามีพลังอยู่ในตัวของเขาแล้วเขาไปของเขาได้เรื่อยๆไม่ต้องมีใครมาคอยชวนใครมาคอยฉุดลากเราไปถ้าเรายังต้องมีคนที่คอยชวนคอยฉุดลากเรา ก็ควรจะหาคนที่เป็นคนที่ฉลาดกว่าเราดีกว่าเรามีบุญมากกว่าเราเพราะเขาจะได้เป็นคนที่คอยฉุดลากเราไปถ้าเราไปคบกับคนที่เลวกว่าเราแย่กว่าเราเขาก็จะฉุดเราลงต่ําเขาจะไม่ฉุดให้เราขึ้นสูงเช่นถ้าเราไปคบกับคนที่ชอบ พวกอบายมุกต่างๆชอบเล่นการพนันชอบดื่มสุรายาเมาชอบเที่ยวกลางคืนชอบความเกียจคร้านถ้าเราไปคบค้าสมาคมกับคนอย่างนี้เขาก็จะชวนให้เราไปทำ <c oughs> สิ่งที่เขาชอบทำเขาชอบเล่นการพนันเขาก็ชวนเราเล่นการพนันเขาชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราเดื่มสุราชอบเที่ยวกลางคืน ก็จะชวนเราเที่ยวกลางคืนชอบความเกียดครานเขาก็จะชวนให้เรามีความเกียดคร้านไปด้วยเมื่อเราไปทำกับเขาแล้วผลก็คือความเสื่อมก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาเราจึงควรหลีกเลี่ยงคนที่เป็นคนแย่กับเราหรือโง่กับเราควรที่จะคบกับคนที่เก่งกับเราดีกับเรา ฉลาดเราเพราะเรายังไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเราเองเก่งได้ดีได้ฉลาดได้ด้วยตัวของเราเองเพราะเราไม่มีกำลังที่จะผลักดันหรือที่จะฉุดลากตัวเราเองให้ไปในทางที่ดีกว่าที่เราเป็นอยู่นี้ได้ดังนั้นการคบค้าสมาคมกับคน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งอย่างหนึ่งเป็นมงคลอย่างยิ่งดังในพระมงคลลัสูตรที่ได้ทรงแสดงไว้ว่ า, อาเอเสวนาจะบาลานังบันดิตานันจเจเสวนาคืออย่าไปคบคนโง่คนพาลให้คบบัณดิตคนฉลาดเพราะค น, คนฉลาดจะสอนเราจะช่วยเราจะดึงเรา ให้เราได้เจริญก้าวหน้าคนพานคนโง่ก็จะดึงเราให้เราเสื่อมลงให้เราตกต่ำลงละในบรรดาบัณฑิตทั้งหลายที่มีปรากฏอยู่ในโลกนี้ก็ไม่มีใครที่จะเก่งเท่ากับพระบรมศาสดาของพวกเราคือพระพุทธเจ้าของเรานี่เอง ถึงแม้ว่าพระองค์จะไม่ได้มีพระชนมาชีพอยู่แล้วกว็าตามแต่ยังมีผู้แทนของพระองค์อยู่ที่ทรงได้ตัดไว้ว่าทมที่ตถาคตได้ตัดไว้ดีแล้วนี่แลจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปอย่างนั้นเราจึงไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาเพราะในสมัยปัจจุบัน ยังปรากฏมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในรูปแบบต่างๆในหนังสือในตำลับตำราเช่นในพระไตรปิฎกก็ดีหรือในหนังสือของเกจิอาจารย์พระสุปฏิปันโนทั้งหลายที่ได้เขียนไว้ก็ดีหรือได้แสดงไว้ก็ดีและได้รับการบันทึกนำเอามาเผยแพร่ให้แก่สาธุชนทั้งหลาย หรือการได้ยินฟังได้ฟังเทศฟังธรรมอย่างที่ท่านทั้งหลายได้กําลังได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็เป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงไม่มีข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวว่าเราไม่มีบัณฑิตเราไม่มีคนฉราดที่จะฉุดลากเราไปเรามี เพียงแต่ว่าเราจะรู้หรือไม่เท่านั้นหรือเราจะสนใจหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเราสนใจเราศึกษาเราก็จะรู้ว่าไม่มีใครที่จะมีความสามารถเท่ากับพระพุทธเจ้าเพราะมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถสอนตนเองสามารถพาตนเอง ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ได้สามารถพาตนเองไปสู่บ้านที่ประเสริฐได้ก็คือพระนิพพานที่เรียกว่านิบานังปรมังสุขขงนี่เองนั่นและเป็นบ้านของเราที่แท้จริงเป็นบ้านของดวงจิตดวงใจของเราที่พวกเราแสวงหากันทุกวันอยู่ แต่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเราเป็ น, เ, ปนเหมือนกับคนตาบอดคลําทางหาบ้านของเราซึ่งไม่มีทางเลยที่เราจะสามารถหาบ้านของเราได้ถ้าเราไม่มีคนตาดีพาเราไปคนตาบอดเวลาจะออกไปข้างนอกต้องอาศัยคนตาดีถ้าไม่ได้คนตาดีอย่างน้อยได้สุนัข ตาดีก็ยังพอที่จะช่วยได้ฉันใดการเดินทางของพวกเราการแสวงหาของพวกเราการแสวงหาบ้านอันประเสริฐของพวกเรานี้ก็ต้องอาศัยผู้นำทางผู้ที่จะพาให้เราได้ไปสู่บ้านอันประเสริฐนี้ก็เราก็ต้องเข้าหาพระพุทธเจ้า ข้าหาพระธรรมคาสอนเข้าหาพระอริยสงสาวกเพราะพระอริยสงสาวกนี้ท่านเป็นผู้ที่ได้ถึงบ้านเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ไปถึงแล้วแล้วท่านก็เป็นผู้ที่สามารถพาเราไปได้สามารถบอกทางอย่างถูกต้องให้แก่พวกเราได้นี่แหละ คือความหมายของที่พึ่งอันสูงสุดเรียกว่าพรรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสูงสุดทางจิตใจเพราะถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตในใจแล้วก็จะได้สมบัติอันเลิ่อันประเสริฐได้หลุดพ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างแน่นอนอยู่ที่ตรงนี้ ไม่ได้อยู่ที่สิ่งอื่นๆในโลกนี้ต่อให้เรามีอาวุธที่มีอนุภาพร้ายแรงขนาดไหนก็ตามอาวุธนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะปกป้องภัยที่จะมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราเช่นความหวาดกลัวเช่นความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าอาวุธนี้ไม่สามารถป้องกัน ภัยที่จะมาเหยียบย่ำจิตใจได้อาวุธนี้สามารถป้องกันภัยที่จะมารุกรานดินแดนลุกรานบ้านช่องของเราได้แต่ไม่สามารถลุกรานจิตใจของเราได้แต่กลับจะทำให้จิตใจของเรายิ่งมีความทุกข์มากยิ่งขึ้นไปเสียอีกเพราะเราไม่ได้แก้ความทุกข์ของใจอย่างถูกวิธี เราแก้ความทุกข์ของใจอย่างผิดวิธีคือไปสร้างความกลัวให้มีมากยิ่งขึ้นยิ่งกลัวเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างอาวุธที่ร้ายแรงเพื่อมาป้องกันเรามากยิ่งขึ้นไปแล้วก็ยิ่งเกิดความกลัวมากขึ้นไปเอพราะกลัวว่าอาวุธที่สร้างไว้นี้จะไม่พอเพียงเพราะว่าเมื่อเราสร้างอาวุธที่ร้ายแรงขึ้นไปมากเท่าไหร่ ศัตรูและคู่ต่อสู้ของเราเขาก็จะต้องพยายามสร้างอาวุธที่ดีกว่าขึ้นไปเสมอนี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะมาดับความกลัวดับความทุกข์สิ่งที่จะมาดับความกลัวดับความทุกข์ได้ก็คือแสงสว่างแห่งธรรมแสงสว่างแห่งธรรมที่สอนให้พวกเรารู้ว่าชีวิตของเราคือร่างกายของพวกเรานี้ เกิดมาแล้วย่อมมีการแก่มีการเจ็บมีการตายเป็นธรรมดาไม่ว่าเราจะสร้างอาวุธมามากน้อยเพียงไรก็ตามสร้างยารักษาโรคที่วิเศษมามากน้อยเพียงไรก็ตามมันก็จะไม่สามารถที่จะมายับยั้งความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายได้ดังนั้นปัญหาจึงไม่ได้อยู่ตรงนี้ เราแก้ไม่ได้เรื่องความแก่ความเจ็บความตายแต่สิ่งที่เราแก้ได้ก็คือความหวาดกลัวจากความแก่ความเจ็บความตายนี้นี่เป็นสิ่งที่เราแก้ได้ถ้าเรามีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาคอยสอนจิตสอนใจของเราเพราะธรรมะจะสอนให้เรายอมรับความจริง สอนให้เราว่าความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บไข้เป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาไม่ต้องไปกลัวมันปล่อยให้มันเกิดขึ้นไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายจะไปกลัวทำไมร่างกายเป็นผู้แก่ผู้เจ็บผู้ตายแต่ร่างกายกลับไม่กลัวเพราะร่างกายไม่มีตัวรู้อยู่นั่นเองตัวรู้ไม่ใช่ร่างกายตัวรู้คือใจ ตัวที่กลัวก็คือใจใจที่มืดบอดนี่เองใจที่หลงหลงไปยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวของเรานี่คือความหลงของใจใจไปคิดว่าร่างกายเป็นใจพอร่างกายเป็นอะไรไปใจก็ตกใจกลัวขึ้นมาแต่ถ้าได้มีแสงสว่างคือปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้พบเห็น แล้วนำเอามาเผยแพร่ให้กับสว์โลกสว์โลกที่มีปัญญามีความฉลาดพอที่จะแยกแยะ ก, กายออกจากใจได้ก็จะสามารถหลุดพ้นจากความหวาดกลัวได้ทันทีเช่นสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกแก่พระปัญจวัคคีผู้ปฏิบัติธรรม ผู้มีศีลอยู่แล้วผู้มีสมาธิอยู่แล้ ว, ผ, ลวผู้ที่สามารถแยกแยกแย ก, กายจากใจได้อยู่แล้วแต่ยังไม่รู้ว่าส่วนไหนเป็นอะไรส่วนไหนเป็นอะไรเท่านั้นเองพอมีพระพุทธเจ้ามาทรงสอนว่าความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นของร่างกายไปทำอะไรมันไม่ได้ส่วนความทุกข์ที่มีอยู่ในใจนี้ เราดับมันได้ดับมันได้ด้วยการยอมรับความจริงของร่างกายว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาถ้ามีสมาธิเคยแยกกายออกจากใจได้แล้วแต่ยังไม่รู้ว่าทุกข์อยู่ตรงไหนทุกข์อยู่ที่กายหรือทุกข์อยู่ที่ใจกันแน่ และอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาพอพระพุทธเจ้าทรงสแสดงให้เห็นแล้วว่าทุกข์ที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจและเกิดจากความกลัวเกิดจากความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นของใจเป็นเป็นสมบัติของใจเป็นใจเองพอรู้อย่างนี้แล้วว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้น ร่างกายไม่ใช่เป็นใจและไม่ใช่เป็นสมบัติของใจใจไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้ร่างกายเป็นไปตามความต้องการของใจได้ถ้าใจไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องปล่อยวางร่างกายปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาดูแลเท่าที่จะดูแลได้ถ้ามันหิว มีอาหารรับประทานก็รับประทานได้ต้องการน้ำก็ดื่มได้เจ็บไข้ได้ป่วยมียารักษาโรคก็รักษาไปรักษาหายก็อยู่ต่อไปถ้ารักษาไม่หายก็ต้องตายไปคนที่ปล่อยจะไม่ทุกข์คนที่ไม่ปล่อยคนที่พยายามยื้อเอาไว้พยายามดึงเอาไว้ คนที่มีความต้องการที่จะอยู่ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคนนั้นจะมีความทุกข์มากใจดวงนั้นจะมีความทุกข์มากเนี่ปัญหาอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองอยู่ที่รู้หรือไม่รู้ว่าอะไรเป็นใจหรือไม่ใช่เป็นใจความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นอยู่นี้ที่เราสัมผัสอยู่นี้นั้นไม่ใช่ใจเลย ไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวของเงินทองต่างๆหรือบุคคลต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุไม่ใช่เป็นนามธรรมใจเป็นนามธรรมใจยังไม่ใช่เป็นสิ่งเหล่านี้แต่ใจหลงไปยึดไปติดไปครอบครองไว้เป็นสมบัติแล้วก็เกิดความอยากที่จะให้สิ่งที่ตนครอบครองอยู่นี้อยู่กับตนไปนา น, าน โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงหลักธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอย่างไรถ้าศึกษาดูก็จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่และมีการดับไปเสมอถ้าเรามีความรู้อย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆ ถึงแม้เราจะเกี่ยวข้องด้วยจะครอบครองไว้อยู่ก็าตามแต่เราก็จะรู้ว่ามันมีขอบมีเขตมันมีเวลาของมันเหมือนกับยาที่เราซื้อมารับประทานเขาก็จะเขียนติดไว้ในฉลากข้างขวดว่าหมดอายุวันที่เท่านั้นเท่านั้นอาหารที่เราซื้อมาก็เช่นเดียวกันพอถึงวันนั้นเราก็โยนทิ้งไป เรารู้ว่าเก็บไว้หรือเอามาบริโภคต่อไปก็จะเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณฉันใดสิ่งต่างๆที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆก็มีฉลากเขียนติดมาด้วยเสมอว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดไม่ใช่เป็นสมบัติของ ของเรานี่มันเขียนติดไว้อยู่ทุกทุกสิ่งทุกอย่างเลยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยมเป็นทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่คือฉลาดที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเพราะฉลาดเหล่านี้ไม่ได้เพิมพ์ติดมากับร่างกายของเราเวลาเกิดมาถ้ามีฉลากนี้ติดไว้ก่อนก็จะดี บอกว่าคนนี้เกิดมาแล้วเดี๋ยวต้องตายนะอย่าไปดีอกดีใจอย่าไปยึดอย่าไปติดกับคนนี้เขานะเพราะเดี๋ยวจะต้องทุกข์วุ่นวายใจคนนี้เขาไม่ใช่เป็นสมบัติของคุณเขาเป็นเพียงแต่ธรรมชาติที่มีเหตุมีปัจจัยทำให้เขาปรากฏขึ้นมาแล้วเหตุปัจจัยนั้นก็จะเสื่อมไปหมดไป แล้วตัวนั้นคนนั้นก็จะเสื่อมหมดไปตามเหตุตามปัจจัยนี่คือฉลาดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงคนพบที่เรียกว่าการตัดสู้ก็ตัดสู้ตรงที่ฉลาดนี้เองตัดสู้เห็นอนิจจงทุกขังอนัตตาในสภาวธรรมทั้งหลายมีสภาวธรรมหรือมีธรรมอย่างเดียวที่ไม่ใช่อนิจจงทุกขังอนัตตา ก็คือใจที่บริสุทธ์เท่านั้นใจที่บริสุทธินี้ไม่มีอะไรที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าเป็นน้ำก็เป็นน้ำที่บริสุทธิ์ไม่มีสารอื่นๆเข้าไปเจือปนอยู่เลยจิตที่บริสุทธิ์จึงไม่มีการเสื่อมไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายไม่มีความทุกข์ จิตนี้เป็นจิตที่เราสามารถเข้าไปถึงได้ถ้าเราน้อมเอาฉลาดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เห็นนี้มาประกบกับความคิดของเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรขอให้เราสอดแทรกฉลาบอันนี้เข้าไปว่ามันไม่เที่ยงเช่นเรา คิดถึงคนนั้นแล้วก็บอกว่าเขาไม่เที่ยงเดี๋ยวเขาก็ต้องจายตายจากเราไปหรือเราไม่เที่ยงเราต้องตายจากเขาไปถ้าเราคิดกับเรื่องอะไรแล้วเรามีชลาอันนี้คอยกากับคอยคอยเตือนสติเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่วุ่นวายเราจะไม่หวาดตัวกับ การเกิดขึ้นหรือการดับไปของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ <Yeah. S 1> นี่แหละที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ว่าเราสามารถเอาฉลากนี้มากํากับกับความคิดของเราได้ตลอดเวลาหรือไม่เวลาใดที่เราคิดโดยที่ไม่มีฉลากนี้กํากับเราก็จะเป็นเหมือนกับคนตาบอด พอเราจะคิดสวนทางกับความจริงทันทีเราจะเดินไปชนเสาทันทีเพราะเวลาเราตาบอดเราก็ไม่คิดว่าจะมีเสา อ, อยู่ข้างหน้าเราก็เดินไปไม่เชื่อลองทดลองเดินในบ้านดูก็ได้ตอนกลางคืนลองปิดไฟดูแล้วลองเดินไปตามความรู้สึกนึกคิดดูว่ามันจะตรงกับความจริงหรือไม่เดี๋ยวก็ต้องเดินไปชนกับฟ้าต้องไปเตะเก้าอี้ต้องไปล้ม จนได้เพราะไม่มีแสงสว่างให้เราเห็นอย่างชัดเจนนั่นเองฉันใดถ้าเราคิดโดยที่ไม่มีฉลาคืออนิจจังทุกขังอนัตตาควบคู่ไปด้วยแล้วเราก็จะคิดสวนกระแสะกับความจริงเราก็จะคิดว่าเที่ยงว่าสุขว่าเป็นของเราขึ้นมา ท, าทันทีพอเราคิดอย่างนี้แล้ว เราก็จะเกิดความอยากให้มันสุขไปนานๆให้มันอยู่กับเราไปนานๆแต่มันไม่ได้เป็นตามที่เราปรารถนากันพอมันไม่ได้เป็นขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นมาก็คือความทุกข์บางคนทุกข์จนถึงกับอยู่ไม่ได้ต้องข้าตัวตายไปก็เพราะว่าความจริงมันมันปรากฏสวนกับความเข้าใจของเรานั่นเอง เช่นเราคิดว่าเรามีความสุขกับสมบัติเข้าของเงินทองกับคู่ครองของเราแล้วอยู่ดีวันดีเราก็หมดเนื้อหมดตัวคู่ครองของเราก็ตายไปอย่างนี้แล้วเราจะทําอย่างไรเราก็จะมีแต่ความทุกข์มาลุมเล้าจิตใจของเราเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับสภาพอย่างนี้นั่นเองแต่คนที่มีฉลาดของตายรักอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลา เขาก็จะต้องคิดถึงสภาพถึงเวลาที่เขาอาจจะต้องอยู่แบบหมดเนื้อหมดตัวเขาก็จะสามารถเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์นั้นได้พอถึงเวลาหมดเนื้อหมดตัวก็รีบหาวิธีมาแก้ไขออกไปหางานหาการทำหรืออาจจะเก็บเงินไว้อีกส่วนหนึ่งไว้ต่างหาก ไว้อีกที่หนึ่งก็ได้เป็นส่วนสำรองไว้พอไม่มีอะไรแล้วก็ไปหาเงินส่วนนี้มาดูแลเราได้เราก็จะไม่เดือดร้อนนี่แหละคือเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสู่ทรงทำให้พระพุทธเจ้านั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วพระ อ, องค์ก็นำมามาสั่งสอนพวกเรา สอนให้พวกเรามาทำบุญให้ทานสอนให้พวกเรามารักษาศีลให้มาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญาให้มาฟังเทศฟังธรรมถ้าพวกเราน้อมเอาเข้ามาปฏิบัติตามได้มากเท่าไหร่เราก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นไปเท่านั้นถ้าเราไม่น้อมเข้ามาเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์ ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่วิเศษเลิศโลกขนาดไหนก็ตามสามารถช่วยให้เราหยุดพ้นจากความทุกข์ให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงก็ตามถ้าเราไม่น้อมเอาเข้ามาปฏิบัติกับกายวาจาใจของเราแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราเหมือนกับยาที่วิเศษขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่รับประทานยานั้น ยานั้นก็ไม่สามารถที่จะรักษาโรคภัย ไ, ไข้เจ็บของเราได้เราต้องรับประทานยาเราต้องนำเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจของเราเช่นอย่างที่ได้พูดไปแล้วว่าให้เอาฉลาแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตามากำกับกับความคิดของเราอยู่ตลอดเวลาคิดอะไรก็ต้องคิดเสมอว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา พออยากจะได้อะไรก็ว่าไม่ไมเที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราพอเราคิดอย่างนี้ได้เราก็จะถามตัวเองว่าแล้ว เ, เอามาทาไมถ้าจำเป็นก็ต้องเอามาแต่ถ้าไม่จำเป็นสู้อย่าเอามาดีกว่ามันจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมา ท, าทันทีแล้วมันจะตัดสิ่งต่างๆที่เป็นเหตุทำให้เรามีความทุกข์ได้อย่างแน่นอน จึงขอให้เราจงพยายามน้อมเอาฉลาดนี้เข้ามาสู่จิตใจของเราวันวันหนึ่งอย่าลืมคิดถึงเรื่องความไม่เที่ยงเช่นความแก่ความเจ็บความตายการพลาพลาดจากกันคิดถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นเวลาที่เราอยากแล้วเราไม่ได้ตามความอยากของเราเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรายึดติด ว่าเวลาราจะทุกข์มากขนาดไหนแล้วเราจะได้ปล่อยวางได้เราจะได้อยู่อย่างไม่ยึดไม่ติดกับอะไรเราจะสามารถอยู่อย่างมากน้อยสันโดษได้และจะมีความสุขมากยิ่งกว่าอยู่แบบที่เราอยู่กันทุกวันนี้ถึงแม้เราจะมีสมบัติมากมายข้าวของมากมายแต่ใจของเรานั้นไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ ใจของเรามีแต่ความวุ่นวายคอยดูแลรักษาคอยปกป้องคอยห่วงคอยกังวลแล้วต้องคอยแสวงหาสิ่งใหม่ๆมาบ ำ, บำบรุงบำรุงอยู่เรื่อยนี่ไม่ใช่เป็นทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นทางของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายทางของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนั้นต้องยินดีตามมีตามเกิดต้องมักน้อยไม่มักมากไม่ลบมาก เอาเท่าที่จำเป็นเท่านั้นก็พอจึงขอฝากเรื่องของการมาบำเพ็ญมาปฏิบัติสร้างบุญบารมีนี้ให้ท่านได้นำไปพินิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้